สวัสดีก่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะนี่คือรายการสนทนาปัญหาธรรมะซึ่งรายการนี้ดิฉันวรรณการขาวลาบเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าในเรื่องของมงค ล, ลสูตรที่4ซึ่งว่าด้วยอุดมมงคล38ประการนะคะก็ว่ากันมาถึงเรื่องของการเห็นอริยสัตว์ ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วยังพูดไม่จบนะคะวันนี้ก็เลยข อ, อนมารการพระคุณเจ้าพระอาจารย์ประหลัดสมทบปรักรโมพเพื่อจะได้สรุปในเรื่องของอริยสัจค่ะอรัธนาค่ะขอจะเจริญพรวันนี้จะสรุปในเรื่องของอริยสัจในอริยสัจสี่นี่เนี่ ที่บอกว่าอริยสัตว์นั้นโดยอัดนั้นน่ะทุกเน่ยอัดของทุกก็คือว่าสภาวะที่บีบคั้นเป็นสังคตะมีปัจจัยปรุงแต่งเร่าร้อนแล้วก็แปรปรวนนั่นคืออัดคือความหมายของอริยสัตว์ของทุกทีนี้ส่วนสมุทไทยนั้นน่ะก่อเหตุเข้าไว้ผูกไว้ในทุกหมายถึงการพัวพันเข้าไว้ ส่วนนิโรดนั้นเป็นความว่างเป็นอสังขตะเป็นอมตะเป็นสภาวะที่ออกไปจากความทุกข์มรคนั้นเป็นตัวนำออกเป็นเหตุให้เข้าถึงนิโรดกาวคือพระนิพพานเป็นความเห็นตามความเป็นจริงเป็นอธิบดีเป็นใหญ่ในการรับเอานิโรดนั้นมาเป็นอารมณ์ท่านจึงบอกว่าอริยสัจนั้นเป็นความจริงอันประเสริฐ เป็นความจริงของพระอริยะและก็เป็นความจริงที่ทําให้ผู้นั้นหรือผู้ที่เข้าถึงนั้นนะกลายเป็นพระอริยะถ้าว่าความทุกข์เนี่ยดังที่ได้กล่าวว่าโดยสรุปดังที่ได้กล่าวก็คือความทุกข์นั้นนัน้ได้แก่สภาพที่ทนได้ยากสภาวะที่บีบคั้นขัดแยง้งหรือบกพร่องขาดแก่นสารและก็ความเที่ยงแท้นะฮะความเที่ยงแท้ไม่ได้ ไม่ให้ความพึงพอใจอย่างแท้จริงได้แก่ไรชาติคือการเกิดชราคือความแก่และมรณะคือความตายหรือการประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักการคลักคลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักความปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นโดยย่อ ก, ก็คือว่าอุปาทานขันกล่าวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของความยึดมั่นถือมั่นของตัณหาอุปาทาน ย่อลงมาอีกหน่อยก็คือว่ารูปกับนามหรือกายกับใจนี้ในสรีระในร่างกายอันยาววานาคืบที่มีใจคอยคุ้มครองหรือมีใจคลองอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสภาวะของความเป็นทุกข์ส่วนสมูทัยนั้นน่ะได้แก่เหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมดังที่ได้กล่าวก็ได้แก่ กามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหาพูดอย่างนี้หมายถึงอะไรความอยากความต้องการความติดข้องในอารมณ์ทุกอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกริ้นกายและใจตลอดถึงความติดข้องในทรัพสมบัติในครอบครัวในสิ่งต่างๆความทยานอยากต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ซึ่งไม่มีคาว่าพออยู่ ไอ้ความทยานอยากอันนั้นไอความติดข้องอันนั้นนั่นแหละเป็นตัณหาเป็นโลภะถ้าจะบอกว่าไอ้ตัวโลภะเนี่ยกับตัวฉันทะเนี่ยต่างกันไหมต้องบอกาต่างเขาบอกว่ากตุกรรมยาตาฉันทะเนี่ยความพอใจความปรารถนาเช่นปรารถนาที่จะเห็นปรารถนาที่จะได้ยินปรารถนาที่จะรู้กลิ่นปรารถนาที่จะรู้รสปรารถนาที่จะรู้สัมผัส ถ, ถูกต้อง หรือปรารถนาในการคิดนึกอารมณ์ทั้งหลายไอ้ความปรารถนาอย่างนี้เป็นฉันทาแต่ถ้าเป็นโลภะหรือเป็นตัณหาเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ปรารถนานะมันปรารถนาด้วยแล้วก็เป็นอะไรเป็นความติดข้องในอารมณ์ทุกๆอารมณ์ด้วยติดข้องติดขัดแล้วก็อึดอัดด้วยในในในในสิ่งต่างๆออกยากมาก ยังไม่ให้สังเกตดูนะว่าตัวฉันทะก็ความปรารถนาโลภะก็ความยินดีพอใจแต่ทีนี้ถ้าตัวฉันทะเนี่ยถ้ามาบวกกับโลภะแล้วเป็นยังไงทําให้คุณภาพของโลภะนี่เข้มข้นมากขึ้นตัณหาก็เข้มข้นมากขึ้นแต่ถ้าฉันทะนั้นไปบวกกับศรัทธานี่ก็เป็นความปรารถนาความพอใจในการที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฉะนั้นตัณหาเนี่ยท่านจึงเรียกว่าเป็นอะไรตัณหาฉันทะความพอใจในการติดข้องในอารมณ์ทุกๆอารมณ์พอไปติดข้องในอารมณ์ยังยกตัวอย่างเช่นเห็นกันง่ายๆในปัจจุบันนยคุณโยมลองสังเกตดูว่าตัณหาเวลาเกิดขึ้นเนี่ยนะคุณโยมสังเกตตรงไหนสังเกตตรงที่ว่าคนติดสิ่งเสียติดแล้วออกไม่ได้เห็นไหม ไอ้ตรงนั้นเป็นสภาวะของตัณหายิ่งมีความรุนแรงมากนะเพราะอารมณ์ประเภทนี้เข้ามาเกี่ยวข้องตอนเองแล้วตนเองนั้นเป็นบุคคลที่ง่ายต่อต่อการทําโลภะให้ดําเนินหรือให้เกิดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วก็ออกไม่ได้หรือที่เห็นกันอีกจุดหนึ่งก็คือว่าคนบางคนเนี่ยนะติดใจในการที่ว่าเอะอยู่ในบ้านแล้วไม่พอใจแล้วไม่ติดข้อง ออกนอกบ้านดีกว่าเที่ยวกลางคืนบางดูการละเล่นบางเล่นการพนันบางสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นเหตุเป็นตัวตันหาเป็นตัวติดข้องไม่ใช่ตัวฉันทะแต่ว่ามีฉันทะประกบหรือประกอบหรือเกิดร่วมแล้วเนี่ยก็จะพยุงกันไปในเรื่องต่างๆเหล่านะั้นซึ่งกเ็เป็นโทษนั่นแหละ น, นี่คือสภาวะของตันหาเป็นอย่างนี้ท่านนั้นท่านยังกล่าวว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ คุณยอมสังเกต ด, ดูว่าถ้าทุกในปัจจุบันนี้ถามว่าถ้าคนมีตัณหาฝังอยู่ในจิตใจนานๆแล้วเนี่ยถามว่าเขาก็ต้องดิ้นรนไม่หยุดหย่อนมันเหมือนอย่างนี้ยอมสังเกต ด, ดูนะว่าคือยอมสังเกต ด, ดูว่ามันเหมือนว่าปากจะมีสักกี่ปากก็แล้วแต่ความหิวมันก็หิวตลอดกินมาสมมุติว่าท้องมันเนี่ยมันมันมันไม่อยู่ที่ท้องกินแล้วมันก็หลุดหายไป เพียงเป็นการที่ว่าเพิ่มเลยทำให้ตัณหามันได้รับอารมณ์ได้สวยอารมณ์และได้กินอารมณ์ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นฉะนั้นถ้าไม่ควบคุมหรือไม่สกัดตัวตัณหาก็จะลุกลามบางครั้งเนี่ยให้สังเกตดูนะในความรู้สึกของหรือที่เราเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ถามว่าความอยากเนี่ยโดยมากเราไม่คิดที่จะลดเมื่อไม่คิดที่จะลดเนี่ยโดยมากเราเพิ่มด้วยเนี่ย เพิ่มโดยการที่ว่าให้เสพอารมณ์ที่วิจิตพิสดารยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นของสิ่งเนี้ยถ้าเอามาดูแบบนี้แล้วอตัานิามันเบื่อแล้วมันไม่ยินดีในอารมณ์แบบนี้มันไขว่คว้าอารมณ์อื่นก็ไปประดิษฐ์ประดอยออกมาทั้งๆที่ของมันเดิมแต่ไปทํามาอีกรูปแบบหนึง่งอตันานิามไปติดข้องตรงนั้นอีกแล้วเมื่อติดข้องนานๆแล้วเบื่อสิ่งนั้นอีกแล้วก็จะพยายามขยับขยายตัวเองมากยิ่งขึ้นยิ่งละ ให้วิจิตวิสัยดานมากขึ้นฉะนั้นในโรคใบนี้คุณโยมสังเกตดูอย่างนี้นะว่าไม่มีอารมณ์ใดที่จะเป็นจุดที่ทําให้ตันหาอิ่มนะท่านถึงบอกว่าทะเลไม่อิ่มในน้ําไฟไม่อิ่มในเชื้อถ้านะเชื้อไฟใส่เข้าไปน้ํามันเนี่ยเทเข้าไปจะไฟไม่อิ่มฉะนั้นสภาวะของตันหานั้นเนะ่ยอย่าเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสไปบอกว่าเดี๋ยวก็เบื่อเอง ใช่ไหมหลายคนบอกว่าไว้นี้ให้เขาเที่ยวไปเถอะเดี๋ยวเที่ยวไปนานๆแล้วเดี๋ยวเขาเบื่อเองคุณโยมาเป็นไปได้ไหมยากค่ะ <Yeah, okay. S 1> เขาอาจจะเบื่อตรงนั้นจริง <จะ S 1> แต่เขาเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนอารมณ์ไปนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นตัณหาเนี่ยท่านจังบอกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆทุกข์ที่เห็นกันง่ายๆคือเมื่อไม่มีสิ่งที่ต้องการต้องขวนขวายไหมต้องขวนขวายหาไหมเห็นไหมการขวนขวายหานั้นเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเช่นว่า ไม่มีอาหารจะใส่ท้องไม่มีเสื้อผ้าจะน่องหม่มหรือมีอยู่แล้วแต่ไม่ยินดีพอใจในอาหารอาหารทั้งๆ ท, ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ก็ยินดีอาหารที่หรูหราราคาแพงสุดๆเล ย, ยนี่เป็นต้นนะเสื้อผ้าทั้งๆ ท, ท, ที่ใส่ก็โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะปกปิดไม่ให้เกิดความละอายกันความหนาวความร้อนเป็นต้นนะนะแต่ถ้าหากว่าตัณหามันวิจิตขึ้นมาแล้วโอ้โห ขนาดไหนก็ไม่เวียงพอรถในทั้งๆ ท, ท, ที่มีพอที่จะนั่งและไปทำงานได้กลับได้ก็ไม่ได้ยินดีแค่ตรงนั้นบอกไม่ได้จะต้องเพิ่มก็เ พ, มเพิ่มความทุกข์มากขึ้นนี่นก็ดิ้นกันไปนั้นทุกวันนี้โลกทุกวันนี้ใช้อะไรแข่งขันกันใช้ตันหาแข่งขันกันสามารถปุกระดมให้ชาวชาวโลกมีตันหามากถามว่า ปัจจุบันที่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะตันหายไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยคนกำลังจะไปแย่งกันถ้ารู้ว่าประเทศนี้ล่มสลายทุกคนมีตันหากันหมดเลยดวยนี้เห็นไมเข้าไปแล้วต้องการที่ไปจัดสรรเหมือนกับการไปแบ่งเค้กที่เราว่ากันึี่เพราะรู้ว่าเข้าไปแล้วมันได้ประโยชน์ mm hmm. ตนนัเองก็ไปเห็นไหมนี่คือตัหาซึ่งไม่รู้จักจบสิน้น ทุกทั้งทั้งคนที่เข้าไปขวนขวายที่จะเอาทุกทั้งคนที่อยู่ในในที่นั้นนั่นเห็นไหมตัญหาเป็นเหตุของความทุกข์ที่เราเนเียนกันอยู่ถึงบอกถ้าไม่คิดละหรือควบคุมให้อยู่แล้วเนี่ยพังโลกใบนี้ไม่เพียงพอต่อตันหาของบุคคลที่อยู่ในโลกใบนี้เนะ่ยที่สุดจริงจริงโลกใบนี้จะบอบช้ามากเหมือนอย่างนี้คุณโยมให้สังเกตดูตันหาเนี่ยมันน่าน่ากลัวมัน เช่นใครมีตัณหาความทยานอยากมากๆคนคนนั้นบอบช้าหมดใช้ขันของตนเองใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเองจนช้าหมดใช้แบบไม่ไม่ประเมินไม่ประมาณไม่รู้จักไม่ชิมาเลยไม่รู้ข้อปฏิบัติทางสายกลางเลยเพราะความอยากบางคนต้องเพ่งจนตาเสียเนะียบางคนต้องโอ้โหทรมารร่างกายจนโรคภัยแท่เจ็บเกิดขึ้นนั้นเพราะอะไร นี่คือตันหายคุโยมให้สังเกตุฉะนั้นการเห็นอริยสัจเนี่ยทำไมผ้าอริยะทั้งหลายท่านเห็นท่านเห็นทุกตามความเป็นจริงเห็นด้วยความเปลี่ยนแปลงไหยคืออย่างนี้ท่านเห็นขันเนี่ยถามว่าร่างกายและจิตใจของท่านเนี่ยถามว่าด้วยความเป็นสุขท่านเห็นไม่เห็นคือให้สุขไม่มีตาเนี่ยให้ความสุขไหมให้มีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเนี่ย เยกว่าความสุขได้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจมีไม่ใช่ไม่มีใช่ไห่จ๊ะแต่ความสุขอันนั้นน่ะมันมีขีดจํากัดของมันอยู่และมันเปลี <sh> <t> ่ยนไงนลยใช่ไม่จ๊ะทีนี้ถามว่าแล้วทุกข์ของมันมีโทษของมันมีไม่มีเพราะมันเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะมันบีบคั้นเพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้เพราะมันแปรปลุนอันนี้คือโทษ ที่บอกเป็นโรคเป็นหัวปีเป็นดังลูกสอนที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในร่างกายอันนี้คือป่ายโทษฝ่ายอาทีนาวะคลองฉะนั้นการเห็นตามความเป็นจริงอย่างเนี้ยท่านสืบสืบค้นไปดูว่าถามว่าท่านใช้อะไรไปเห็นใช้อริยมร์ใช่ไหมมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นคือใช้ปัญญาแต่ถามปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอะไรต้องตรึกท่านตรึกท่านพิจารณาแปลว่าก่อนจะตรึกนั้นถามว่าอะไรไปนไหน ตัวสติเข้าไปตั้งใช่ไหมสติเข้าไปตั้งไหนๆตั้งในอารมณ์เช่นว่าที่เขาบอกสตินั้นน่ะนอกจากจะแปลว่าลักษณะของสตินั้นคือระลึกได้เมื่อระลึกได้แล้วต้องระลึกแบบไม่เลอะเลือนด้วยตัวสติต้องไม่เลอะเลือนอย่างเช่นยังไงตัวสตินี่ถ้าเป็นตัวมัจใช่ไหมเขาเรียกสัมมาสติคือการระลึกชอบ ระลึกแบบไม่เลอะเลือนก็แปลว่าสามารถที่จะแยกแยะได้ว่านี้เป็นบุญนี้เป็นบาปถ้าถามว่าและไม่ใช่รู้แค่นั้นนะรู้บอกว่าบุญเนี่ยควรละหรือควรเจริญแล้วบุญนี่ควรเจริญเห็นไหมควรเจริญควรพอกพูนควรทำให้มากขึ้นบาปนี่หละควรละหรือควรเจริญเห็นไหมบาปควรละเพราะเป็นสิ่งที่เศร้าหมองเป็นเหตุของความชั่ว ฉะนั้นถ้าสติเข้าไปตั้งตั้งไหนไหนถ้าไปตั้งในในตัณหาใช่ไหมสภาวะของตัณหาความอยากความติดข้องสติก็จะไปพิจารณาโดยเอ๊ะธรรมะเหล่านี้ตัวตัณหาเนี่ควรละจนตัวสติก็ดีตัวปัญญาก็ดีตัวสมาธิก็ดีที่สิ่งเหล่านี้ควรจเจริญควรพอกพูนคว ร, ควรทําให้มีขึ้นนั้นสติจะไม่เลอะเลือนแล้วก็สามารถแยกแยะคัดสรรได้ สติท่านถึงธรรมท่านถึงอุปมาบางครั้งท่านอุมาเหมือนกันนายประตูคือให้สังเกตนายประตูหรือคนเฝ้ายามทั้งหลายเช่นว่านายทวารที่เฝ้าประตูราชวังเวลาคนจะเข้าต้องตรวจสอบไหมคนดีหรือไม่ดีที่จะอนุญาตให้เข้าใช่ไหมจะต้องมีหน้าที่ตรวจสอบฉะนั้นนายทวามีหน้าที่ตรวจสอบลักษณะของสติก็เหมือนกัน เวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยเวลาโลภะอันหาจะเกิดเนี่ยสติกรองดีพอเข้าไม่ได้เข้าในจิตใจของคนนี้ไม่ได้เพราะสติเกิดขึ้นกับใครแล้วคนนั้นไม่เลื่อนลอยไม่เละเลือนแล้วก็ไม่ฟุ้ฟงใช่ไหมพะสติจะเป็นตัวกรองหมดเลยใครจะเข้ามาในจิตใจและจิตนั้นก็จะไม่เลื่อนลอยไปตามอรารมณ์ต่างๆให้สังเกตดูคุณโยมก็เคยเป็นใช่ไหมชีวิตประจําวันบางทเีเราเลื่อนลอยเนะ เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลื่อนลอยไปหมดเลยแสดงว่าตอนนั้นน่ะไอตัวสติไม่เกิดเพราะปัใจจัยในการที่จะทำให้สติเกิดไม่มีหรือบางครั้งเราเราเราแยกแยกไม่ออกถ้าจะถามหลายๆคนบอกว่าเอตันหาอตันหากับฉันทะต่างกันยังไงเนี่ยแยกไม่ออกถ้าสติไม่เกิดนี่แยกไม่ออกเลยยิ่งไม่เคยฟังศึกษาไม่เคย ฟังไม่เคยจําไม่เคยพิจารณาก็แยกไม่ออกใช่ไหมหรือว่าตัวตัณหากับเมตตาเนี่ยก็แยกไม่ออกใช่ไหมเม <ME> ื่อแยกไม่ออกเนี่ยคุณโยมก็จะมีปัญหาในการเจริญกุศลกันทั้งหมดนี่ยบุญก็ไม่เกิดแถมยังไปเข้าใจว่าบาปเป็นบุญก็อีก <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> เมื่อไปเข้าใจว่าบาปเป็นบุญแปลว่าบุคคลเหล่านั้นจะพ่อคูณบาปหรือเจริญบุญ เขาก็ต้องเหมือนทบาบาปไม่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่เข้าใจเขานึกวันที่เขาทําเนี่ยโอ้ใช่และเมตตาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นลักษณะของสติเนี่ยเมื่อเข้าไปตั้งแล้วก็เป็นอะไรเขาเรียกอุปปัฏฐานนะคือเข้าไปตั้งในอารมณ์เมื่อสติเข้าไปตั้งแล้วตัวปัญญาที่เป็นสัมมาวิทิฐเนี่ยจะเข้าไปวิจัยวิจัยอะไรวิจัยแยกแยะวันนี้ตาเนี่ยเป็นทุกข์เป็นขันอ่ะ สุขของตามีอยู่ที่เขาให้ประโยชน์ในการเห็นในการมองสิ่งดีๆเป็นต้นความทุกข์ของเขาคือตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนบังคับบัญชาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันนี้คนเราถ้าเกิดมาายอะมากเขาเปลี่ยนแปลงจนไม่รู้จะเปลี่ยนอย่างไรตรงนี้คือโทษทีนี้พอพอปัญญาเกิดขึ้นมากเลยนะเขาเขาหาอุบายวิธีไม่ติดก็คือละตัณหาบ่มย ละบ่อยๆในชืิตประจำบันไม่ให้ตัณหามีอิทธิพลในจิตใจไม่ให้เกิดในจิตใจมากก็แปลว่าบุคคลนั้นเจริญเจริญอะไรปุปภาคของมักคือเจริญโลเกียะมากนั่นเองคือเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเห็นไหมอริยมักก็เกิด น, นี่นี่เป็นอย่างนี้เขาต้องบอกว่าทำไมจึงต้องการทำนิโรธหรือนิพพานให้แจ้งหรือความดับทุกข์เนี่ย เพราะได้แก่สภาวะที่ดับสิ้นไปของตัณหาภาวะที่เข้าถึงเมื่อกำจัดอวิชชาสำรอกตัณหาได้สิ้นแล้วไม่ถูกย้อมไม่ติดข้องหลุดพ้นสงบ ป, ปลอดโปร่งเป็นอิสระก็คือพระนิพพานเนี่ยถามว่าเราจะเข้าถึงสภาวะนี้ได้อย่างไรใช่หตัวสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นโลกีมักเนยมกัมกในเบื้องต้นเยก็จะมาวิจัยและเอ๊ะในชีวิตประจาวันของพวกเราโดยเฉพาะเนี่ยเราเป็นท่าจริง ถามเป็นทาทีของใครเป็นทาตีของตัณหาตัณหาปราถนาอะไรเนี่ยตัณหาบ่งบอกเบ็เสร็จกำหนดแล้วก็ไปตามอำนาจของเขาตาอยากจะดูอะไรสวยๆแล้วก็ขนขวายเขาดูหูอยากจะจะฟังอะไรเพาะๆก็ขนขวายอยากจะได้อะไรแล้วโอ้โหอยากเห็นอยากทราบอยากรู้เรื่องอะไรต่างๆยังไตัณหาก็พักดัน เราก็นําร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยไปแล้วน้ำหนักกี่โลก็ไปยุ่งเดินกันไปนะมีตันหาเป็นตัวขับเขาเรียกอะไรนะสรีระยน <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> จากสี่ถาวรเก้าท่เทนวาว้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ดินน้ําไฟลมเป็นระชุมกันอุ้ยน้ําหนักเยอะเลยมีถาวราตาถาวรหูถาวรปากถาวราจมูกเยสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนแล้วก็ประคับประคองสิ่งต่างๆเหงแบนี้ไปเป็นไปตามอานาจของ ปัญหานี่มีเป็นอย่างนี้ถ้าท er like lime, ่านพิจารณาอย่างนี้แล้วท่านเห็นโทษเงี้เห็นโทษของการรับใช้ตัญหาท่านบอกเอ้ยเราเป็นที้ข้าเราเป็นทาตของตัญหามานานต่อไปมาเป็นทาตของพระพุทธเจ้าดีกว่าเห็นไหมใช่ไหมที่เวลาเราสวดบทกันนู่นข้าพเจ้าเป็นทาตของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาตของพระธรรมข้าพเจ้าเป็นทาตของพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า นั่นหมายถึงอะไรต้องการจะปลดแอกตัวเองออกจากอะไรออกจากตันหาคนยอมมาตันหาน่ดีหรือไม่ดีไม่ดีใช่ไหมตันหาไม่ดีแต่ถามว่าเอ๊ะ อ, เ, อเพลงเพราะๆนีช่ชอบฟังหรือไม่ชอบเนี่ยก็ชอบเห็นไหมในลักษณะนี้เราบอกตันหาไม่ดีแต่เพลงชอบนี่ยเราไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอความเคลิบเคลิ้มการฟังแต่ถ้าฟังแล้วเราจํากัด เป็นมันก็มันก็พอจะอยู่กับเขาได้แต่ถ้าจำกัดไม่เป็นเนะี่ยหลายคนฟังเพลงเสียเพราะเพลงนี้มั้ยใช่ไหมหลายคนเนี่ยคือยอมยอมเสียหลาย ๆ, ๆอย่างเพื่อเพื่อรูปสวยๆอย่างเช่นโทรศัพท์มือถืออันเนี้ยใช่ต้องพังต้องเสียหายเพราะเขามาไม่รู้เท่าไหร่ฉะนั้นพิจารณาอย่างนี้คุณยอมก็จะเห็นว่าตัวท้าเรียบบุคคลทั้งหลายเนี่ย ท่านจึงเห็นว่าการสำรอกกิเลสหรือสำรอกตัณหานั้นเป็นความสุขจริงๆแล้วท่านจึงมาอบรมเจริญอริยมรรคคือปฏิปทาที่นำไปสู่ความดับทุกข์หมายถึงข้อปฏิบัตินั่นเองท่านเรียกว่าอัดฐานกิกรรมกล่าวคือมรรคมีองค์8นี่ยก็คือว่าจะเกี่สัมมาทิิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นทีนี้ถ้าสรุปอีกตรงที่ก็คือว่ามรรคเนี่ยมาพูดถึงอริยมรรคมีองค์8ประการ ดังที่ได้กล่าวบอกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาก็การกล่าววาจาชอบสัมมากรรมันตะการทำการงานชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติรละลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งมันชอบอริยมรรคมีองค์แปดประการเนี่ยท่านบอกว่าเป็นตัวปฏิบัต ปฏิบัติยังไงคะเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นตัวที่เข้าถ้านตบอกว่าทางนี่นะท่านบอกว่ามันมีอยู่สามทางหนึ่งอัตตกิละมะาถานโยโยกการกระทำให้ตนเองลาบากหรือเป็นคนที่มากไปด้วยโทสะสองการมาสุ ข, ขาลิกาโยโยคคือการติดข้องในอารมณ์ทุกๆอารมณ์หรือเป็นผู้ที่มากไปด้วยโลภะอย่างนี้เขาเรียกว่าสุดต่งทั้งสองทาง ให้สังเกตดูนะว่าในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยคุณโยมมึงต้องเกตัวว่าบางคนทํางานใช้โทสะเป็นตัวนําเป็นตัวขับเคลื่อนคือถ้าไม่โกรธแล้วทำไม่ค่อยเร็วทำไม่ค่อยทําให้ค่อยคล่องบางคนถ้าโกรธก็หน่อยโอ้โหพูดได้คล่องเลยใช่ไหมค่ะ <c oughs> หรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คอยมีโทสะขึ้นมานิดนิดเจือปนหน่อยแหมหรือว่ามีโทสะเป็นตัวขับเคลื่อนเขาบอกทําให้ชีวิตมันมันมันเร็วอ่างเงี ทำอะไรต้องเร็วต้องคล่องแคล่วต้องว่องไวแต่ในขณะเดียวกันเครียดใช่ไมเยหลายๆคนที่ออกไปลายเครียดกันนี่ยอันนั้นแสดงว่าเขาเขาเดินผิดทางไหมผิดอย่างนี้เขาเรียกทำตนให้ลำบากส่วนอีกประเภทหนึ่งไม่อย่างนั้นเวลาจะทำอะไรแล้วเนี่ยใช้โลภะเป็นตัวนำคือถ้าหากว่าไม่มีโลภะไม่มีความอยากไม่มีความต้องการไม่ความ ไม่ยินดีพอใจในอะไรแล้วทาไม่ได้เลยต้องพอใจนั้นโลภะนําเงินอย่างเช่นโอ้ชอบมากๆอย่างชอบเสียงเพลงเลยทํางานด้านเพลงชอบสีสวยๆเลยชอบเกี่ยวงานพวกไอ้ประดับประดาตกแต่งเห็นไหมชอบกลิ่นอหอมๆก็เลยมาทําธุรกิจเกี่ยวเรื่องการที่ปรุงแต่งกลิ่นทั้งหลายชอบรสอร่อยออร่อยก็เลยจัดเกี่ยวในเรื่องการทําอาหารปรุงอาหารอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย หรือธุรกิจที่เกี่ยวกันในเรื่องของของใช้ลิ้นสัมผัสบางคนก็ชอบสิ่งของสวยๆนุ่มๆอะไรต่างๆก็เป็นไปในเรื่องของทางเสื้อผ้าอาพอเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยเอาตัวโลผ้าเนี่ยเป็นตัวกำกับอย่างนี้ถามว่าโทสะกับโลผ้าเนี่ยดีหรือไม่ดีไม่ดีเ เป็นสิ่งที่ควรละหรือเป็นสิ่งที่ควรเจเริญเป็นสิ่งที่ควรละเห็นไหมเป็นสิ่งที่ควรละแต่มันไม่ใช่งั้นพวกเราเนี่ยบางทีมันอย่างนี้เราไม่ชอบโทสะและเราก็ไม่ชอบคนที่โลภมากๆแต่ว่าเราลืมดูตัวเลยสังเกตไหมในสังคมจะเป็นยังไงคุณโยมลองสังเกตโด้วยทั่วๆไปเช่นขับรถไปรถติดด่าคนอื่นเนี่ยแต่ตนเองก็เอารถไปด้วยสมมติอย่างเงี้ยนะ ใ, ใช่ไหม ใช่ไหมใช่ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยมันมันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าถ้ามาวิจัยจริงๆแล้วคนใช้มารคเบื้องต้นไม่ค่อยถูกสัมมามารคแก่มารคเบื้องต้นแค่เห็นเนี่ยก็เห็นผิดแล้วเมื่อเห็นผิดดําริก็ผิดใช่ไหมดัมบลีอ่ะพอเห็นผิดเนี่ยคือเห็นไม่ไม่เห็นตามความเป็นจริงไงตัวดําริีเนี่ยพอเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิดําริีผิดเป็นมิจฉาสังกับปะดําริีในอะไร ดำหลีในเรื่องของความโลภดำหลีในเรื่องของความติดข้องอนในเรื่องของความทะยานอยากแล้วก็ดำหลีไปนในเรื่องของความพยาบาทเห็นไหมเสียหายไปแล้วดำหลีบางอย่างก็เป็นการมาสุ ข, ขาลิการอุโยบดํหลีบางอย่างก็เป็นอัตต า, ากิลิมัถานโยบคือทําตัวนี้ให้ลําบากโกรธแล้วเนี่ยใครลําบากเราโกรธเขาเราลำบากเราลํ า, า, า, รารบา ก, รารบากใช่ไหมถามว่าเราโลภอยากจะได้อะไรเกินกําลังในถามว่าใครลําบาก ใช่ลล ไ, หไหมจริงจริงเนี่บางทีก็น่ากรุณาตัวเองเหมือนกันนะเนียพิจารณาไปพิจารณามาเนี่ยไปไปมาเนี่ยทําไม่ะเงี้ยชีวิตของเราเนี่ยต้องมาลั่นรับใช้ตันหารับใช้โท่สะบ้างรับใช้ <S <S ตัวตันหาบ้างเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนีน้ฉะนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะทําให้เราเห็นว่าปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติของพวกเราเพราะมันอย่างนี้เพราะตำรีผิดแล้วอะไรตามมาการกล่าววาจาเป็น เป็นเป็นวจีสุจริตหรือวจีทุจริตทตเห็นไหม <c oughs> พอจำริผิดแล้วเนเอาแล้วพูดโกโหกบ้างพูดคําหยาบบ้างพูดเพ้อเจ้อบ้างเห็นไหมไอ้พูดส่อเสียดบ้างเอ้มันจะมานี้ทีนี้พอตจำรีผิดแล้วบางทีก็ทางด้านกายกรรมจะเป็นกายกรรมที่เป็นสุจริตหรือทุจริตทุจเห็นไหมก็จะเป็นทุจริตอีกแล้วฆ่าสัตว์บางรักทรัพย์บ้างเกี่ยวในเรื่องของอาชีพก็เหมือนกัน ถ้าดําเบลีผิดแล้วเนี่ยเห็นผิดเข้าเรื่อยแล้วเนี่ยอาชีพก็เป็นมิจฉาชีพย์ค่ะแล้วต่อมามันตามลงมาอีกอะไรรู้ไหมเพียนก็ผิดใช่ไหมไม่เป็นสัมมาวายามาเพียนถูกแล้วเพียนผิดเพียนในการทําบาปทํทอาอกุศลละลึกก็ผิดอีกละลึกก็ผิดอีกไม่ใช่แค่นั้นตั้งมั่นผิดก็อีกโอ้ยสมาธิก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิโดยสรุปแล้วเนี่ยเป็นมิจฉามากแล้วที่ทํำกัน เห็นไหมถ้าดําริดําริผิดอย่างเดียวเขียนผิดอย่างเดียวดํำริผิดอย่างเดียวเสียหายเป็นแถวหมดเลยในชีวิตของท่านผู้นั้นฉะนั้นอาริยมรรคเนี่ยท่านจึงสอนให้อบรมแต่เบื้องต้นให้เป็นสัมมามรรคทำยังไงจะเห็นถูกเห็นไหมดําริให้ถูกการดําริให้ถูกต้องทํำยังไงการดําริให้ถูกต้องทําอย่างไรการดําริให้ถูกนั้นก็คือว่าดําริออก ใช่ไหดัมบลออกจากโลภะไม่ใช่ดัมบลหรือคิดอะไรแล้วเนี่ยเอาโลภะมาเป็นตัวนําและก็ดัมบลออกจากโทสะไม่ใช่คิดอะไรแล้วก็คิดในเรื่องของโกรธพรยาบาทอาฆาตฟองร้ายและก็ดัมบลออกจากอะไรจากการเบียดเบียนดัมบลบ่อยๆเด็กโดยการกระทําอย่างนี้เนี่ยเป็นความความโลภความต้องการเกินไปไหมโดยการคิดแบบนี้เป็นความโกรธความพยาบาทอาฆาตไหม คามคิดอย่างนี้เราเบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เราตรึกถามตัวเองบ่อยๆดิคนยอมว่าฆ่าศาสตร์ที่เบียดเบียนใครเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนตนด้วยไหมเบียเบียเบียดเบียนตนเองด้วยเพราะฆ่าเขาเราเดือดร้อนแล้วก็ทําให้เรานั้นได้รับวิภพผลที่ไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่ว่าฆ่าแล้วแม้ฆ่าอย่างนี้แล้วไม่บาปฆ่าอย่างนั้นแล้วบาปทั้งไปแยกแย่ะมียุ่งเลยนี่เป็นอย่างนั้นเด็คือฉะนั้นการการคิดเนี่ย การคิดออกจึงเป็นความจําเป็นสําหรับชีวิตเนฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะกลับมาย้อนดูตัวสัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์มรรคเนี่ยอริยมรรคมีองค์แปประการนั้น น, นะนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะเป็นต้นแต่ในที่นี้เราบอกสัมมาทิฏฐิก็แปลความเห็นชอบความเห็นชอบนั้นคือความรู้ในทุกสมูทัยนิโรธแล้วก็มรรคนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ท่านหมายถึง like ปัญญาที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์สูงสุดหมายถึงตัวนั้นแต่ถ้าถามบอกว่าอริยสัจในข้อของสัมมาทิฏฐินั้นน่ยสัมมาทิฏฐินั้นมีความเห็นชอบเป็นลักษณะเช่นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเห็นอะไรเห็นว่ากรรมและมีความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมดูอย่างง่ายง่ายเข้าใจยังไงเช่นว่า ถ้าทำปาณาติบาตคือฆ่าเขาต้องอบายทุกขติวินิบาตในโรคนั่นเป็นผลและทำมาเป็นมนุษย์เนี่ยโรคภัยแค่เจ็บมากแล้วก็อายุสันน้นนี่เห็นไหมรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นกรรมสักกาะสมาธิฐินี่เป็นตัวสมาธิฐิหรือเขาบอกว่าถ้าหากว่าลักของเขาขามโมยรักตัดช่องย่องเบาอะไรก็ขยายกันอันนั้นเป็นกรรมเป็นตัวกรรมเป็นตัวเหี้ ผล ค, คืออย่างไรอาบายทุกขติวิบัติรกที่ตนเองจะได้รับอ่ะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ล่ะโอ้โหวิบัติเรื่องทรัพย์มากจนขนาดหนักเนะี่ยมีบ้านบางีไฟถูกไหม้ไหม้บงหรือบางทีมีทรัพย์สมบมัติมีมีอยู่ล้มละลายโดนรีบโดนยึดโดนสารพัดเลยใช่ไหมบางคนจนหนักๆผ้าเขาังไม่มีเยะห่มมีขนาดนั้นนะเขาแจกผ้ากันทุกปีแต่จนทุกปีใช่ไหมใช่ แจกไปทีไรไม่ถึงอย่างเงี้ยใช่ไหมถึงคนอื่นหมดตัวเองไม่ได้เนี้ยสังเกตดูเถอนั่นแหละโทษของอธินาทานที่ทะรู้เนี้ยเขาเรียกรู้กรรมและผลของกรรมแต่โทษของกาเ ม, มสุมิชาจานโอ้โหเสียหายเลยอบายทุกขติวิบารนรกเอามาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีโอ้โห้กลายเป็นคนอีกประเภทหนึ่งเลยก็เรียกเป็นพวกบรรดากระเถออย่างนี้เป็นตัว น, นั่นนี่เดียวว่าไปเดกลุ่มพวกนี้ก็ลัง แใจรังเกียจนว่านี่มั น, เ ป, นเป็นผลที่เกิดขึ้นค่ะฉะนั้นลักษณะการรู้อย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเห็นเรื่องกรรมแล้วก็รู้ผลของกรรมด้วยนะเนี่ยเห็นชอบถามว่าใครสักกี่คนเห็นชอบตรงนี้เลยสัมมาทิฏฐิข้อแรกนี่ก็เริ่มจะเห็นกันลำบากแนละ้วอันถ้าใกล้ตัวมากว่านั้นก็คือว่าอะไรกรรมดำให้วิบากดา เช่นบาปทั้งหลายอากุศลทั้งหลายให้วิบากที่ดำกรรมขาวให้วิบากขาวกรรมทั้งดำและขาวให้วิบากทั้งดำและขาวอาันยังตัวอย่างพวกเราเราทำอกุศลทำบาปเข้าไว้ในอดีตหรือทำกุศลไว้ก็มีในอดีตมาปัจจุบันนี้อารมณ์ตื่นขึ้นมาที่เห็นเห็นอารมณ์ที่ดีและไม่ดีเ ห, หม ถามว่าเอ๊ะที่เราเห็นดีและไม่ดีบางทีเราเห็นแล้วยังไปเข้าใจผิดนั่นก็คนลเรื่องเลยนะอย่างเช่นอย่างนี้มีคนคนหนึ่งวิบากที่ตนเองดีๆนี่นะไม่ได้น่าจะมีความสุขกลับไม่ได้กลับไม่มีความสุขเช่นว่าอาเสียงยกย่องเสียงสรรเสริญเยินยอเนี่เออเวลาเขาเยินยอนแล้วเกิดไม่ชอบใหมดัมบทั้งๆเป็นวิบากหรือเป็นผลดีนะที่ตนเองจะได้รับเสียงเสียงชมเออในคนที่มาชมนั้นกลายเป็นคนที่เราไม่ชอบนะ ใช่ไหมเราบอกโอ้ยแทนเครืองจริงๆทั้งๆที่เสียงดีจริงๆนั่นนะเขาชื่นชมเขามาชื่นชมเราด้วยความจริงใจแล้วแล้วแต่แตเจริญคนคนนั้นเราไม่ชอบหรือบางทีเป็นการชมผ่านคือบางคนเนี่ยนะทํากรรมไว้ไม่ค่อยดีแม้คนที่เราอยากให้ชมไม่ชมเราแต่มีการผ่านมาตั้งหลายทอดกว่าจะถึงเรานิดใช่ไหมนั่นไอเรื่องความละเอียดอ่อนของในเรื่องของกรรมแล้วก็ผลของกรรมที่เราได้รับเนี่ย บางทีเราไปไปทำกรรมใหม่ที่ผิดพลาดอีกเลยเพราะเราไม่เข้าใจในเรื่องกรรมใชะไหมคนเข้าใจกรรมเนี่ยก็จะวางจิตถูกคิดว่าเวลาผลดีต่างๆส่งผลก็รับได้อย่างรับได้อย่างปัญญารับหลายๆคนรวยนะรวยรวยมากมาจไม่ใช่ตำหนิคนรวยนะแต่ว่ากินข้าวไม่ได้กินได้แค่แมวดมเพราะอะไรค่ ก็เห็นกรรมไงในอดีตใช่ไหมส่งผลได้มาปัจจุบันเล้กลายเป็นกรรมที่ทําให้สมบูรณ์เรื่องมีเป็นงั้นจริงๆหลายหลายคนเนี่ยของดีๆใช้ไม่ได้ไอ <c oughs> ตรงเนี้ยมันมันมันเป็นข้อเชื่อเห็นว่างั้นการทํากรรมนะั้นนอกจากจะทําบุญแล้วยังต้องมีสมาธิิเข้าใจในเรื่องของกรรมดนะ้วยเพราะเราประกอบกรรมกันอยู่ทุกวันใช่ไหมใช่ถ้าอย่งั้นเราก็ผิดพลาดในชีวิตเนะี่ย นันผิดพลาดได้ไงแหมทําได้อย่างดีเลยแต่ผลได้นิดไม่ใช่ว่าไหมแต่ทําบุญทั้งทีทําไปโกรธไปทํำไ ป, ไปำงุดงิดไปอย่างที่เป็นต้ น, นอย่างเช่นเวลาจะแหมพูดเถอพระพูดหน่อยตรงนี้นิดนึงได้โอกาสอย่างยกตัว อ, อย่างอาหารถวายพระใช่ไหมบางคนอู้หัดคัดคัดคัดอาหารดีๆเออเนี่ยไปกินไปทานกันนะเอ้ยนี่เหลือเออจะเอาไว้ถวายพระบางคนหนักยินงกว่านั้นอีกไม่ใช่ บอกเอออาหารอะไรต่างโอ้โนี่ใกล้จะหมดอายุแล้วเนี่ยเจ่ไหมใช่ห <c oughs> ลืออีกวันเดียวเรียบถวายพระไปเร็วเหมืนี้นเดียวเขาวิจัยออกมาว่าพระป่วยกันมากที่จริงอย่างนี้นะเป็นเป็นวิบากของพระด้วยที่ท่านทำมาไม่ดีและเป็นกรรมเป็นเอาขุนศลกรรมใหม่ของท่านบุญ น, นั้นที่ทําด้วย อ, อย่พูด้าไปบวกว่าเออท่านทําไม่ดีมาท่านต้งได้อย่าง น, านั้นอะไเงี้ยมันนึกไปมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยกรรมอ่ะ ให้สังเกตดูบางทีของที่เราได้ในชีวิตประจำวันนี่สังเกตดูไหมเขาจะให้อะไรเราสักชิ้นเนี่ยล้วนจะเป็นของที่แหม่ผ่านมือมาไม่รู้กี่มือกว่าจะถึงเราเนี่ยใช่ไหมจะเป็นนาฬิกาก็แม้เป็นประเภทที่เละหลังมานี่เป็นต้นนั้นเรากรรมเราถ้าไ ม, ไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นกรรมสกทาสัมมาทิฏฐิถ้าไม่เข้าใจในเรื่องเนี้ยเราก็จะเสียหายในเรื่องการรับบางทีเราบอกว่า เออเราทำอย่างนี้เต็มที่เลยนะเลยทั้งโฆษณาทั้งแรงต่างทำไมคนไม่เห็นความดี <c oughs> ก็ให้เข้าใจตรงนี้ว่ากรรมไอ้คำสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมีความเห็นชอบเนี่ยเป็นลักษณะมีการประกาศความจริงเนี่ยเป็นหน้าที่นะตัวปัญญาเนี่ยเนี่ยถ้าเข้าไปวิจัยเรื่องอะไรแล้วเนี่ยจะต้องเห็นจริงๆไม่ใช่เลยเห็นแค่หลังฉากเออหน้าฉากเช่นเราไปเห็นละครเห็นลิเกที่เขาแสดงกันเนี่ย แล้วก็เห็นอุ้ยสวยงามมากเลยถ้าลักษณะของปัญญาเนี่ยเจาะเข้าไปถึงหลังหลังหลังลงเลยว่าไอ้มากันยังไงทําไมไปแต่งตัวกันยังไงยังไงแต่งตัวยังไงทํำยังไงทั้งถ้าลักษณะนี้นี้ยกตัวอย่างแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เอาไปสืบค้นไปรู้อะไรต่างๆไอ้น้ำก็เรื่องแต่ว่าให้รู้ว่าถ้าตัวปัญญาที่เป็นสมาธิที่เนี่ยทั้งนั้นจะไปวิจัยรู้เรื่องกรรมเลยไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ ถามเอ๊ะทำไมถึงได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายแบบนี้นี่เนี่ยพิจารณาศึกษาคําสอนแล้วเข้าใจเรื่องกรรมถ้าลักษณะนี้เป็นกรรมมรรตาสมาธิทิเนะืรู้ผลของกรรมสาวไปหาเหตุออมายังไงอย่างนี้เป็นต้นและก็ไม่ประมาทเลยในการทํากุศลทํางอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าเป็นตัวปัญญาแต่ถ้าปัญญาสูงไปกว่านั้นเนี่ยเป็นวิจัยอะไร วิจัยนิจลักษณะทุคลักษณะและอนัตตลักษณะวิจัยยังไงเลยเช่นสติเข้าไปตั้งตัวสัมมาสังกัปปะนี่ตัวดํมบิดํมบิ้นในอะไรดํมบิเข้าไปในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายพิจารณาคุณของเขาไหมพิจารณาโทษของเขาแล้วก็ละชันทราคะคือความยินดีพอใจเลยนั่นตัวปัญญาเข้าไปวิจัยเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เลย อย่างเช่นว่าตาเนี่ยที่บอกว่าตาเนี่ยไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงเลยจะไปวิจัยเลยนะว่าเออมีการเกิดขึ้นมีการบีบคั้นเป็นโรคเป็นวโวเพระวิจัยไปอย่างเนี้บอกว่าไม่เที่ยงมีแล้วกับไม่มีสมัยก่อนแจ่มชัดตอนนี้เริ่มงฝ้าอะไรฟางเนี้นะเ อ, อ๊มันเปลี่ยนแปลงตลอดเนะี่ยอะไรเป็นทุกข์ไหมเบียดเบียนไม่บีบคั้นนี่จะเป็นทุกข์แปลรวนไหมไม่ไม่แ ป, ปลบวนก็ไม่อยู่ในอำนาจใช่ไหมพิจารณาโอ้นี่ตัวปัญญาเขาไปวิจัย เจาะเขีนสัมมาทิฏฐิจริงๆแล้วเป็นเห็นอนิจจลักษณะเป็นต้นนะถึงจะเข้าสู่ทางอริยมรรคของท่านนี่เป็นอย่างนี้ท่านถึงบอกว่าประกาศความจริงเป็นหน้าที่แล้วก็มีการทําลายความมืดคืออวิชชาความไม่รู้เนี่ยเป็นเป็นเป็นอาการปรากฏเพราะว่าถ้าอวิชชาปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นต้องทําลายความไม่รู้ มันจะเกิดขึด้เหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นมาทำลายเลยรทำลายความมืดใช่ไหมแสงสว่างแต่ความมืดเกิดขึ้นมาก็ทำลายแสงสว่างในยา่าเดียวกันนี่เป็นอย่างนั้นพอมาสัมมาสังกปรานี้ก็แปลความดําริลีชอบดัมเบลีออกจากการดังที่ได้กล่าวดําริลีในการไม่พยาบาทแล้วก็ดําริในการไม่เบียดเบียนเป็นสัมมาสังกปะตัวสัมมาสังคปรานี้ยกจิตขึ้นเฉพาะหน้าสูงถ้าหาสูงเลยก็คือว่ายกจิตขึ้น สู่กระแส er, ความดับทุกข์คือพระนิพพานเลยแต่ถ้าเบื้องต้นก็นคือว่ายกยกจิตออกจากอะไรออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากการเบียนเบียนยกบ่อยๆบางทีเราไม่ค่อยชอบยกกันนะ <c oughs> ไม่ค่อยชอบยกจิตออกเลยเช่นแมววันนี้ขึ้นเครงมากสนุกสนานมากเราก็ไม่ค่อยยกจิตของเราออกโดยมากเราจะยกเข้าไปหาใช่ไหมใช่ ถามว่าระหว่างคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสแล้วตรึกไปในเรื่องของการมาคุณกับตรึกออกจากการมาคุณเนี่ยถามว่าคนคิดทางไหนมากกว่ากันตรึกเข้ามากกว่าใช่ไหมเข้าหามากกว่าในความพยาบามก็เหมือนกันถามว่าความโกรธความพยาบาทเนี่ยไม่ชอบใช่ไหมแต่ความโกรธความพยาบาทความมาคาดเราไม่ชอบแต่ว่าเป็นยังไงชอบเกิดใช่ไหม ท, นนที่จริงมันเกิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราสั่งสมเขามากใช่ไหม บางทีเราไปโทษอะไรเราไปโทษอารมณ์ไปโทษอารมณ์ที่มาปรากฏนั้นโดยสรุปก็คือว่าสัมมาสังกัปปะแล้วก็ต่อไปก็คือคงจะไม่จบนะได้แค่ว่าดํมบิชชอบตรงนี้แค่นั้นเองเนะได้ได้แค่นี้ฉะนั้นในวันนี้ก็บรรยายมาในการเห็นอริยสัจคือเห็นทุกข์แล้วก็สมุ ท, ทยัย แล้วก็พูดถึงนิโรดนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้กําลังขึ้นในเรื่องของการเจริญอบรมอริยมรรคผ่านสัมมาทิฏฐิมาขึ้นสัมมาสังกรประแล้วก็เลยเลยหมดเวลาเสก่อนอ่าเหลือเวลาที่เหลื อ, อ น, นี่ก็มอบให้คุณโยมไปบริหารให้ตรงตามเวลาก็แท่านผู้ฟังที่เคารพคะนี่คือรายการสนทนาปัญหาธรรมะแล้วสําหรับวันนี้นะคะรายการก็คงต้องส่งท้ายขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน เป็นผู้อุดมไปด้วยมงคล38ประการและเป็นผู้ประสบความสำเร็จมีโอกาสก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตตรการเทินขออนุโมทนาค่ะ